วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันขึ้นแปดค่ำเดือนเจ็ดปีสีก้าการภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราจะไปมองข้ามอย่างอื่นไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตาย มันไม่ได้หลีกเลีหนีเราพยายามไล่ติดๆเรามาอยู่โดยตลอดเราจะไปหนึ่งนอนใจไม่ได้ถ้าวันหนึ่งนอนใจก็แสดงว่าเราประมาทเรายอมแพ้เราไม่ขาดคิดไว้ก่อนจนถึงสุวาระสุดท้ายเราค่อยมาเสีย อ, อกเสียใจหรือมา ทุกใจเพราะว่าไม่ได้เตรียมการอย่าให้ เ, เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ประทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตักเตือนไว้อยู่ตรอดเวลาว่าอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวนี้พวกเราอายุเท่าไหร่ ผู้ที่ล่วงลับดับขันตายไปให้เห็นก็เป็นระยะๆมาอยู่ตลอดแต่อีกสักวันหนึ่งเราได้ยินแต่ตูมที่นู้นตูมที่นี่อีกสักวันหนึ่งอาจจะตูมมาถึงเราก็ได้แต่ว่าตูมตูมแน่ๆแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละแล้วพวกเราเห็นไหมขาดคิดไวไหม ไม่คาดคิดว่าจะเร็วถึงขนาดนั้นแต่พอมาถึงเข้ามันก็เร็วเพราะนั้นเร็วหรือช้าก็ต้องไปโดยการทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีไปได้แต่ถามที่จริงการพูดถึงมรณะภัยและถึงความตายถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับพูดคู่กันคูกน่กันเอาความตายมาข่มเหงกันมาข่มขู่กัน ตามไม่จริงไม่ใช่บั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่จะคมขู่ไอ้คนที่พูดจะมองอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้คนที่ฟังทั้งหลายแหลจะคิดเป็นไปอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะความตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ไม่ได้ว่ากลางค่าไม่ได้ว่ากลางคืนไม่หว่านหนังรถหนังลาไม่หว่านหนังเครื่องบิน เออไม่ว่านั่งอยู่ในสถานที่ใดกินอาหาร อ, อร่อยอย่างไงแค่ไหนความตายนี่จ้องอยู่ตลอดเวลาเวลาถึงคราวแล้วเหรอถึงคราวแล้วก็ น, นั่นบีชามาถึงในขณะไหนเขาก็เอาไปในเวลานั้นพราะมันถึงคราวที่จะต้องไปเสีแล้วเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าการข่มขู่และการพูดเอาความตายมาพูดกันขู่กัน อันนั้นเป็นความประมาทหรือว่าเป็นความโง่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งที่ท่านเตือนไว้แล้วว่าชีวิตของเรานี่นะมันจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเราอย่านอนอกนอนใจนะอย่าไปนอนใจในร่างกายอันนี้นะอีกสักวันหนึ่งนะพวกเราจะต้องเจอมรสุมตัวนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่แหละเตือนเอาไว้ แต่เราจะทำยังไงพ hey, ระพุทธเจ้าทไม่ได้ทำอย่างไรให้ดูใจตัวเองให้ดูการกระทำของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดูใจตัวเองนะะั่นะเป็นหลักถ้าดูใจตัวเองแล้วการพูดก็ดีการกระทำก็ดีมันออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดถ้าดูใจของตัวเองแล้วใจของตัวเองเป็นธรรมแล้วใจตัวเองเป็นวินัยแล้วใจตัวเองเป็น ศีลแล้ววาจาเป็นศีลกายเป็นศีลวาจาเป็นศีลมันออกมาจากใจด้วยกันทั้งหมดนะ่ะใจเป็นศีลใจเป็นธรรมกายวาจาก็เป็นศีลเป็นธรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านให้ดูใจดูใจนี่ทํำยังไงก็เรื่องสมาธิเียนี้ย้อนเข้ามาหาสมาธิสมาธิธรรมเอาธรรมเข้ามากํากับปฏิบัติกับใจของตนเองจะคิด เรื่องอะไรให้มีสติสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าขาดสติแล้วก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นแปลว่าเราขาดคุณธรรมทุกอย่างแต่ถ้าหาว่าเรามีสติเราก็มีคุณธรรมเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วเริ่มเข้ามาแล้วถ้ามีสติมั่นคงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณธรรมมากขึ้นตามลําดับลําดับ แต่ขาดสติเมื่อไรก็ขาดคุณธรรมลงไปตามลำดับลำดับเช่นเดียวกันเพราะนั้นสติเนี่ยต้องกำกับอยู่กับตัวเองอยู่เสมออย่าให้เผลอเลอหลงลืมให้คิดไว้อยู่เสมอว่าข้าจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งจากนั้นก็มองดูตัวของเราเองการกระทําของเราเองความประพฤติของเราเอง พยายามอยู่ณสถานที่ใดทินดใดใพยายามนั่งภาวนาเดินจงกรมตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกอริยบทถ้าทำได้อย่างนั้นดีเลิศนะดีเลิศแต่ถ้าว่าพวกเรามั่วสมคุยกันไม่ได้สนใจปล่อยปลาละเลยอันนั้นเป็นแบผู้ประมาท เนี่ยเป็นพระกับเป็นพระผู้ประมาทแล้วหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขในจิตใจไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะจุนสถานทินใดพยายามดูใจให้มีสติกับการกระทําของพวกเราทุกอริยบทถ้าเป็นไปได้นะอันนั้นแบบปลว่าผู้ไม่ประมาทถามว่าเราเห็นไหมอย่างที่พวกเราไปเห็นนะั่นแะ หลวงพ่อไปเห็นโอน่าสลดสังเวชใจมรณะภั ย, ยมีแต่ญาติพี่น้องเพื่อนผู้ลูกหลานน้าตาหนองหน้าร้องห่มร้องไห่ร้องกัะสักดตวเวาร้องอย่างนั่นแหะแต่จะทำยังไงได้ไปไม่มีวันกลับหลับไม่มีวันตื่นอย่างที่ว่านั่นแหะเหมือนกับ น, น้ำมันไหลผ่านลงไปจากเราไปแล้วไปลงในน้ำโขงออกจากน้ำโขงก็ไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงน้าทะเล ก็ไ ม, ม่มีวันกลับขึ้นมาอีกชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าจะว่าไปน่าเบื่อหนายไหมมันน่าเบื่อแต่มันไม่ไหน่ายเออมันไม่เบื่อมันไม่ไหน่ายมันเบื่อเบื่ออยากอยาเพราะว่าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าบางครั้ง มันมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เบื่อมันซะแล้วก็มีความสุขขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราก็ติดมันซะเนี่ยอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือเบื่อเบื่อจากอยากอยู่อย่างเนี้ยเเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตในใจของเรามันให้เป็นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงถ้ามีทำในจิตในใจของเราแล้วโดยมากมันจะเบื่อมากกว่าความที่อยาก เบื่อมากๆเบื่อผลในสุดก็บเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้แปลว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมตัวสำเนียกสำนึกไว้อยู่ตลอดเวลำเวลานะจะทำยังไงสมาธิเรื่องสมาธินี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่นะที่เข้ามาปวดใหม่ สมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเราอย่าไปมองข้ามเรื่องสมาธิสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งสมาธิทำใจให้มั่นคงจะทำยังไงสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็สอนจะทำยังไงฝึกหัดเรื่องสติ ท่านก็นกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักถ้าเป็นสายแนวสายขององค์หลวงปู่มั่นเราแต่สายองค์สายอื่นสมาธิการฝึกของเขาก็มีหลายวิธีแต่เรามาศึกษาในสายองค์หลวงปู่มั่นเราก็ควรจะทําแนวแถวแบบองค์หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนคือนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้าย จากนั้นประนมมือไหว้ครูไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสามจบคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าสาครั้งพระธรรมสมครั้งพระสงฆ์สาครั้งไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็เอามือลงแในเมื่อเอามือลงแล้วทําใจให้สัมปชบายจากนั้นก็จะแผ่เมตตาก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นสัตว์ amo, อื่นวิญญาณทุกวิญญาณทั่วตรโลกธาตุขอให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างใดผู้อื่นสัตว์อื่นดวงวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเอออันนี้คือคิดในใจคิดในใจแท้แท้ให้เป็นอย่างที่ความคิดนั้นแท้แท้อย่าไปคิดเป็นอย่างอื่น จากนั้นก็อมมือซ้อนกันมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอันนี้คือวิธีการทำจิตให้สงบแต่ว่าการบริกรรมนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำ แนวหลายวิธีการอันนี้ก็คือที่ว่า น, นี่ก็คือครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจะเน้นหนักจุดนี้ลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพร้อมกับพุโทโธแต่บางท่านบางคนกับบริกรรมรำโมก็ะไรบริกรรมสังโคก็ะไรบริกรรมว่าตายตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจไม่เข้าตายหายใจไม่ออกตาย แปลว่าพิจารณาถึงความตายก็คือพิจารณาถึงอนิจจ ง, งความตายหรือหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับเกิดดับเกิดดับอันนี้ก็เป็นอนิจจงของไม่เทียงไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือเป็นการบริกรรมภาวนา เพื่อจะทำจิตของเราไม่ให้คิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้เห็นความตายอยู่เสมอถ้าหายใจไม่เข้าก็ช่ายตายถ้าหายใจไม่ออกก็ใช่าตายฮะมันเพียงแค่นั้นลหละเพราะนั้นเราต้องเอาสติจับอยู่ตรงนั้นฮะอันนี้ถ้าว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตใจของเราไม่หิวโหยจิตใจของเราอิ่มเ อ, อิบ ด้วยรำด้วยสมาธิธรรมเพราะจิตใจของเราไม่ปงฟุ้งออกไปข้างนอกนั่นแหละทีนี้มันก็เข้าสู่ความสงบเป็นขั้นเป็นตอนเข้าไปคณิกาอุปจาระอปรัปปนาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจสงบระดับไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทีนี้ถ้าเรามีความมุ่งมัน่นมีความพยายามมีความตั้งใจจริง ผลแห่งสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะสมาธิทำเพราแม่กูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมามาแล้วเห็นมาแล้วรู้มาแล้วปฏิบัติมาแล้วอได้ผลเป็นประการใดท่านก็มาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทางหลายเพราะนั้นให้พวกเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังเราจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง ทำเป็นของจริงอยู่แล้วเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสมาธิทำเพียงขั้นนี้พวกเราก็ยังทําไม่เคยจิตไม่เคยสงบสเลยเรามาปวดมากี่ปีให้ถามตัวเองดูสิเป็นยังไงการปฏิบัติของเราเป็นยังไงเป็นเป็นที่พึ่งพอใจหรือเราลุ ก, กินเป็นวันอยู่เป็นวันพูดคุยกันเป็นวันๆเพียงแค่นี้ เป็นที่พอใจของเราแล้วใช่ไหมฮะต้องถามตัวเองอยู่อย่างนี้เสมอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าว่าเราถามอยู่อย่างนี้เราจะส้ำเตียรสซ้นึกได้ว่าเออเรานี่รู้สึกว่า อ, อ่ อ, อนแอมากเกินไปเสียแล้วห่างเหินมากเกินไปเสียแล้วไม่สมที่เราเป็นพระกรรมฐานอยู่ป่าดงพงไพไปเสียแล้ว ไม่สมกับเราได้เข้ามาศึกษาในแถวแนวสายขององค์หลวงปู่มั่นเ้อแล้วทำเราทำย่อหย่อนเกินไปเสียแล้วสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนทุกๆองค์เข้ามาประพฤติปฏิบัติให้ถามตนเองอยู่เสมอพอหรือยังเพียงพอหรือยังถูกต้องหรือยังเหมาะสมหรือยังอย่างเนี้ยให้ถามอยู่ตลอดถ้าเราถามอยู่อย่างนั้น เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจตัวเองอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆทําเรื่องไปเป็นวันๆทําเรื่องนี้เรื่องนั้นแกงห่วงแกงเงาไปแก่ลำคานไปเป็นวันๆอันนั้นมันไม่ใช่แก่ลำคานมันกิเลสออกไปบ่งการออกไปนําหน้าออกไป เ, เพื่อไม่ให้ทาเข้าสู่จิตใจเท่านั้นเอง ผลที่สุดก็นั่นแหละความเสียใจจะเกิดขึ้นตามเรามาภายหลังประนันให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องสมาธิเป็นหน้าที่ของเราจะต้องฝึกฝนจะต้องทำเองจะต้องต่อสู้จะต้องปฏิบัติในคืนนี้เอาซิเราจะนั่งภาวนาเท่าไหร่ตลอดคืนได้ไหมสามสี่ชั่วโมงได้ไหมหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเออ พยายามนั่งบังคับไม่ให้มันไปไหนให้มันนั่งเนี่ยหาที่สงบสงัดกุติลั้งไหนมีอยู่แล้วที่ปลวกที่มดไม่ขึ้ น, เ, นเราไปนั่งที่ไหนดูจากนั้นก็ดูใจของตัวเองในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็พิจารณาอะไรต่อ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนถอนจิตออกมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายอย่างที่พวกเราสวดสักขุนีอายังโคเมกาอยู่ตั้งแต่ศรีรษะจนถึงฝ่าเท้าเป็นอย่างที่เราสวดหรือไม่อาการสาสองของร่างกายเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือว่า เราเห็นแต่ร่างกายภายนอกผิวพรรณวัณณนะผูดผัน แ, แล้วก็ทำให้ตาของเราฟ้าฟางมองเห็นเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ข้างในเข้าไปนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่เราสวดหรือไม่ที่เราสวดมีอะไร เกสาผมโลมาขนนคะาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจือในกระดูกมา้าหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราพิจารณาดูแล้วไม่ได้สงสัยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเออมันเป็นอย่างที่เราสวดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่น แต่ว่าตาของเราใจของเราเนี่ยมันปิดบังเอาไว้กิเลสปิดบังเอาไว้ไม่อยากจะให้เร า, เารู้เห็นตามความเป็นจริงมันปิดกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นการกั้นนะั้นคือตัวอะไรคือตัวกิเลสนะกิเลสราคะอมืมันสู้กันกันกบธรรมจุดนี้ตัวราคะมันมองเห็นว่าสวยงามแต่ธรรมะตัวนี้ประวา อสุภะไม่สวยงามมันแย่งกันขึ้นบันลังหัวใจของเราอยู่ตลอดแต่ถาาว่าพวกเราว่าสวยงามขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นเราก็ลุ่มหลงมัวเมาแต่ถาาว่าธรรมะเข้าสู่จิตใจร่างกายไม่น่าไว้ใจนะอีกสักวันหนึ่งนะตายนะเป็นอนิจจังนะเป็นอสุภะนะมันจะต้องเน่าเปื่อยตายสลายนะจะต้องผูกถูกเผาแน่นอนนะ ถ้าใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทุกขณะความรุ่มหลงมัวเมามันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เลมันเห็นตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพิจารณาอยู่เสมอเรื่องอสุภะทบทวนอยู่เสมอเรื่องอาการส2สอง หรือว่าใครจะพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ได้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยดินน้ำลมไฟอีกสักวรนหนึ่งร่างกายของเราก็จะแตกสลายกายมันจะแตกเป็นส่วนธาตุสี่ธาตุดินคืออะไรธาตุดินก็คือของแข็งของแข็งในร่างกายของเราคืออะไรคือกระดูกผมขนเล็บฟันเนี่ย อันนี้คือของแข็งจัดว่าเป็นกระดูกเป็นดินธาตุดินถาดน้ำคืออะไรเลือดปัสสาวะน้ำมันไขข้อน้ำมันต่างๆของร่างกายเอออันนี้แปลว่าน้ำส่วนลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องลมในที่ว่างของร่างกายอันนี้ลมพยุงกันอยู่ ธาตุไฟเผาร่างกายให้อบอุ่นร่างกายให้เหร่าร้อนร่างกายให้กวักวลกัวายอันนี้แปลว่าธาตุไฟมันอยู่ในกายของเราเนี่ยแหะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะนั้นให้เรารู้เอาไว้ว่าร่างกายของเราเนี่คือะสมประสานกันโดยธาตุสี่แต่ใจของเราเนี่ยคือตัวรูน้นามธรรมเลยมาอาศัย มาพักพิงอยู่ในธาตุสีนี้มาอยู่ในที่ดินน้ําลมไฟนี้จากนั้นก็มายึดว่าร่างกายธาตุสีดินน้ําลมไฟเป็นบ้านของตัวเองอย่างไม่คิดอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นว่าเป็นของตัวเองแน่นอนเมื่อยึดตัวนี้เข้ามาแล้วเมื่อยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนแล้วกิเลส ต, ตัวนี้มันยึดแล้วเมื่อยึดว่าเป็นของเราแล้วจากนั้นก็หาสิ่งภายนอกมาปน เปือปุ่นปื้ตัวเองาจากนั้นกอบหาข้าวหาของหาสิ่งอะไรที่ตัวเองต้องการมาปุ่นปื้อร่างกายจากนั้นกับมีขอบมีครัวมียศถาบรรดาศักดิ์มีบ้านมีเรือนมีผี่มีน้องมีอะไรออกไปเรื่อยๆบ้านี้เพราะมันร่างกายเป็นของเราเลยเด้ จะนั่งหลงหลืมหลงจนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายมีทะายในจั ก, กรวาลเนี่ยจะเอามาเป็นของตัวเองให้หมดเอเพราะความโลภนี่แหละเพราะมันหลงร่างกายแต่ถ้าว่าเราพิจารณาไม่หลงร่างกายร่างกายอีกวันหนึ่งจะต้องแตกสลายถึงยังไงเราก็ไม่โลภแต่ก็พยายาม พอเราเกิดมาแล้วเราต้องพยายามประคับประคองกายของเราให้อยู่ได้ให้เป็นไปได้โดยธรรมเมื่อมันมีมากก็รู้ว่ามันมีมากในเมื่อมันมีน้อยก็รู้ว่ามันมีน้อยไม่หลงไหลในปัจจัยเหล่านั้นในสิ่งปนเปื้อเหล่านั้นในสิ่งปนเปื้อเหล่านั้นเรารู้เท่ารู้ทัน รู้กายรู้เท่ากายรู้เท่าใจใจของเราก็รู้เท่าวัดเราไม่หลงร่างกายใจของเราเนี่ยรู้ว่าร่างกายอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกจะต้องสลายไม่เป็นอย่างอื่นแต่เราจะสดแสวงหาอะไรมาเลี้ยงร่างกายมาดูแล ร, ร่างกายเนาบำรุงร่างกายของเราให้อยู่ได้ใจก็จะสอแสวงหาตามอัตภาพแต่ไม่ สัมปยุตโดยความโลภความโกรธความหลงต้องรู้อยู่แล้วว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งจะต้องแยกออกจากกันกับใจของเราเนี่ยนี่แหละให้พวกเราดูใจดูใจดูกายเการประพฤติทธรรมไม่ใช่ดูที่อื่นดูกายก็ดูใจท่านเองนะ่ะไม่เป็นอย่างอื่นเหมือนไม่ให้ดูที่อื่นดูร่างกายก็คือรูปประธรรม ร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างกางตัวเป็นอยู่ธาตุสีมันเป็นอยู่อย่างนี้ธาตุเสียอาการสามสิบสองหงกายของเรามีอาการสามสิบสองเป็นอยู่อย่างนี้แก่เจ็บตายเน่าเปื่อยอยู่อย่างนี้แต่ละวันไม่เน่าได้ยังไงมันเน่าใช่ไหมการขับถ่ายออกไปมันเน่าใช่ไหมเราไม่ชำระร่างกายไม่อาบน้ำมันเน่าเหม็นใช่ไหม มันออกมาจากไหนออกมาจากร่างกายของเรานั่นแหละเพราะนั้นร่างกายของเรา เ, เต็มไปด้วยของอสุภะเต็มไปด้วยของปฏิโกณในหลักพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอคือไม่ให้หลงร่างกายตัวเองแต่จะนั่งพิจารณาใจใจของเราเนี่ยเป็นนา ม, มาธรรมเลยเราคิดปรุงฟุ้งไปเรื่องอะไร เ, เดี๋ยวออกไปทางนอก เรียกว่านั่นสวยนั่งก็ะน้องนี่งามอันนั้นนารักไข่อันนี้น่าพอใจนั่นกรอยาไก่นั่ก็ไดยาไก่นี่ความอยากอยู่ในจิตในใจอยากอยู่ตลอดเวลาเอ๊อยากไม่มีเหตุอยากไม่มีผลอยากไปที่ไหนอยากไปที่ไหนอยากต่อยากอยากอยู่ในจิตในใจคือนามธรรมตัวนี้พอมันหิวโหยเออะพอมันไม่ได้พิจารณามันไม่มีธรรมในจิตใจ มันไม่มีคุณธรรมในจิตใจมันไม่ได้หาไม่ได้หาเหตุผลเข้าสู่จิตใจมีแต่ปล่อยให้กิเลสนำหน้าทำตามหลังเออมันไม่ไทยไม่ใช่ทำสกัดไว้ทางหน้าวหมือนแต่มีแต่ทำวิ่งตามหลังกิเลสนำหน้าโผล่ในสุดนู่นเออมันวิ่งไปวิ่งมาจนลินห้อยน่นะจึงจะสํำนึกได้บางคนก็เลยตายเลย ตายแล้วยังไม่ํานึกได้ตายอีกชาตินี่ตายอีกชาติหน้าจนกว่าเมื่ อ, อไรได้รับฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมสั่งสอนของพระแม่กูบาลจานันจึงจะสําเหนกจานึกได้ทำจึงวิ่งสกัดไปทางหน้าทีนี่เออใช่มันจะวิ่งไปอะไรมากมายนักหนาอแต่แกวิ่งอยู่ในวัฏะสงสารใ่มีลูกกี่พบกี่ชาติมันก็วิ่งอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดนัว่วเอ้มันก็สอนตัวเองลนะทีนี้เออ ดูตัวเองดูใจตัวเองจากนั้นก็ความเพียงพอหรือว่าเหตุผลธรรมะจะคลอเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราดูใจของตัวเองนะทีนี้อ่าอันนั้นเมื่อธรรมะเข้ามาถึงน ะ, เ, ะเมื่อบา ร, รมีเข้ามาถึงเมื่อธรรมะเข้ามาถึงแต่ถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่ธรรมดาและเพราะงั้นเถอะอใหม่ๆนะก็อย่างที่ว่าเนะีเ่ยมันวิ่งกัน เตลิดเปิดเปิงไม่รู้เท่าไหร่แต่ตามไม่จริงแปลว่าใจของเราบารมีของเรายังอ่อนอยู่แต่ถึงจุดนั้นแปลว่าบารมีของเราเริ่มแก่กล้าเขาเราเห็นเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทีนี้พอเราได้พิจารณาดูแล้วดูใจของเราไม่รู้จะวิ่งไปเพื่ออะไรอความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมันเริ่มถามตัวเองเข้ามาเรื่อยๆแหละทีนี้ เออเรามีอย่างนั้นสุขไหมไม่ทุกเลยใช่ไหมเ อ, อยิ่งมีมากมันก็ทุกมากการทุกอย่างนั้นมันเป็นยังไงมันจะต้องถามสำเสำนี้ยงจำเึกดบวกลบคูณหารในจิตในใจของตัวเองอยู่ตลอดเว ล, เวลาทีนี้อันไหนควรจะทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดมันอยู่ในจิตในใจของพวกเราละทีนี้เพราะนั้นพวกเราให้จำเนียกสำเลกหน้า นํำทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาดูจับเป็นประลอดฟัดจิตใจของเราอย่าให้ใจิตใจของเราออกนอกลู่นอกทางจนหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ถูกนะพวกเราเป็นพระปฏิบัติเป็นภาะกรรมฐานนะให้ดูใจของตนเองนะดูกายของตัวเองกายอย่างที่ว่าเนะี่ยมีอะไรเป็นสาระมีประโยชน์ของร่างกายมีไหมมันจะมีอะไรในร่างกาย เออมันมีแต่โครงกระดูกอยู่ในร่างกายนั่แหละอยู่ข้างในนั่นแหะเป็นโครงสร้างของร่างกายจากนั้นก็แขวนอะไรเอาไว้ตับไตไส้ปุงแขวนอีรุ่งตุงนางเอาไว้อยู่ข้างในนอ ก, กจากนั้นก็ทําฝาเออเอาหนังหุ้มเอาไว้เอ่อตอนนั้นแหละทตนี้ก็มาหลงหนังเอถ้าถลกหนังออกไปเปิดเข้าไปข้างในแดงเถือกมีแต่เลือดทั้งหมดมันจะหลงไหม มันคงไม่หลงแน่ๆถ้าเห็นอยู่อย่างนั้นอะไรคือความสวยงามนะนี่แหละถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสราคะของเราเนี่ยมันจะวิ่งถอยหลังโก๊บวิ่งเข้ามาหาใจเลยอยู่นิ่งอยู่ที่ใจเลยไ อ, เยเอ้เขาจะสันะ่นเฉยาไปส่างั้นไงใจเ <laughs> พราะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ดูให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราคืออะไรคือแยกให้ออกกายกับใจกายกับใจ แต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เป็นสมาธินะมันจะแยกไม่ออกนะอ น, นีจุดนี้แหละสคัญนะถ้าว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงพอจะแยกออกจากนั้นก็กำหนดดูใจของเราแล้วก็มองเห็นกายของเราเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นทั้ง2 อ, อย่างเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเรามองกายแล้วก็มองอีกเรามองใจเข้ามาเลยอีกมองใจก็มองตัวเองแตนี ใจมองใจเห็นตัวเองใจเรานึกคิดเรื่องอะไรแหมมันก็มองเห็นความทุกข์ความสุขความเศร้าหมองผ่ อ, องใสความสว่างความมืดมันสลับอยู่ในจิตในใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเวลาแต่เราจะดูหรือไม่ดูถ้าเรามีสติดูใจแล้วเราจะเห็นได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเรา เราจะเห็นเลยล่ะมันหลอกตัวเองมันนึกคิดขึ้นมาอยู่ในจิตในใจของพวกเราทั้งสองอย่างทั้งสองเงื่อนความสุขกว่าดีความทุกข์กว่าดีความส่องมองกว่าดีความผ่องใสกว่าดีความสว่างกว่าดีความมืดกว่าดีมันอยู่ในจิตในใจของพวกเราทั้งสองเงือ่อนไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นไตร ล, ลักษณ์อยู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะว่าเป็นของเราได้ยังไง มันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อ, อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราจะยึดอะไรเป็นหลักที่เป็นสาระของตัวเองเพราะเป็นอนิจจเพราะนั้นต้องพิจารณาจุดนี้นะพยายามดูจุดนี้มองจุดนี้ปรับปรุงแก้ไขจุดนี้ปล่อยวางจุดนี้นั่นแหะถ้าเราทําได้อย่างนั้น วันนี้ทำได้วันหนึ่งทำไม่ได้วันหนึ่งทำได้ถึงยังไงยังไงต่อไปภายภาคหน้ามันจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงทำได้เลยเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจะเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เอ่อีกสักวันหนึ่งเรากดโยกอยู่ด้วยด้ยเหมือนกับเสาที่มันตอกลงไปลึกๆนะเน่ยเราก็พยายามเขยา่าท้ายเขย่าวขวาเขยา่าหน้าเขย่าหลังเพื่อจะถอดถอนออกความรู้สึกนั้นอีกสักวันหนึ่ง มันก็ไม่พ้นความพยายามของเราไปได้ เ, เราก็ต้องถอนขึ้นมาได้จริงๆเลยเไม่ยึดมั่นถือมั่นอถอนขึ้นมาได้โยนท้งตึงเลยเทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตต า, าทำลายออกลงไปหมดแล้วสิ่งไหนที่ทนต่อการพิสูจน์สิ่งนั้นและคือธรรม เมื่อพิจารณาถึงจุดนั้นแล้ตัวหนึ่งมันจะขึ้นมาอารู้ได้เห็นได้ด้วยธรรมตัวนั้นพอชำระออกไปแล้วอมันรู้ขึ้นมาแล้วสินี่มันรู้สัแต่ว่ารู้เห็นแต่ว่าสักว่าเห็นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดจิตใจที่เป็นธรรมเป็นความบริสุทธิ์นั้นเพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฝึกหัดมาให้ดูนะั่นแหละดูมาตั้งแต่เรื่องศีลการเป็นอยู่ เรื่องสมาธิพยายามทําจิตให้สงบดูทั้งปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารการเป็นอยู่การเคลื่อนไหวให้ดูกายให้เห็นกายจะกนั้นกเห็นใจใจใกายกายใจใกายคือรู ป, ปรธรรมใจนั้นคือน้ำมธรรมมองไม่เห็นมันจะต้องมองเห็นด้วยตนเองเท่านั้นเองใจมองใจใจรู้ใจใจคิดเรื่องอะไร จะรู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราที่เรานึกคิดอยู่เป็นขณะขณะขณะขไปนะก็ะตอนนี้ไปให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินาตินีนะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่ว่านั่นแหละนั่นก่อนให้ดูร่างกายพิจารณาร่างกายจะไม่กระทพิจารณาใจาพิจารณาตัวผูรู้นามธรรมที่อาศัยกันอยู่เนี่ย ดูกายดูใจดูกายดูใจดูใจดูกายไม่มีที่อื่นนะดูสองอย่างเท่านั้น น, ะนี่แหละคือปฏิบัติ